เราต้องพัฒนาใจของเราไปเรื่อยๆอย่าอยู่กับที่อยู่กับที่ไม่ได้ไปเดี๋ยวก็นไหลลงที่เดิมไหลต่ำยายามพัฒนาใจของเราไปพระพุทธเจ้าสอนวิธีไว้แล้วเลยแต่เระเรียนให้รู้เรื่องแล้วก็อดทนปฏิบัติมันไม่ยากไม่ยากเท่าที่คิดตอ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 ถึงในวสัญญาเนี่ยในคำพีนะสอนไว้ว่าถ้าเป็นพระอริยะนะชำนาญการดูจิตนะจะไปเจริญมิปัสสนในในวสัญญาได้ถ้าไม่ใช่พระอริยะชนานาญการดูจิตนะเข้าในวสัญญาแนละ้วจะไปเจริญมิปัสสนไม่ได้เวลาไปเจริญมิปัสสนในสมาธิจะเห็นองค์ฌานนะมันเปลี่ยนแปลง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 ปีติดับปีติดับนะตัวสุขเป็นตัวเด่นขึ้นมาสติะระลึกรู้วตัวสุขไม่ได้ะระลึกอารมณ์ของฌานไม่ได้เอาปฏิภาคนิมิตเป็นอารมณ์ลนะตัดอารมณ์าัานตัดอารมณ์ขององค์ฌานทิ้งตั้งแต่ลาวิตกุปิจารย์ไปจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาก็เห็นปีติ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 สแล้วขึ้นไปเจ็ดก็ได้แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ความชำนาญคนโดดเร็วผู้ผู้ผ่านไปพระโมกขลาเข้าเร็วเข้าฌานสี่เร็วที่สุดท่านเคยลองดวลกับพญานาคพญานาคอาปากท้าพระองค์ไหนแน่จริงนะห่อเข้ามาในปากนะนาคนี่จะงับงูงับเร็วไหม อย่าทำสมาธิเหาเข้ามาแล้วก็หนีออกไปนะพอะเข้ามาอยู่ในป่าเนี่ยให้ออกจากสมาธิก่อนแล้วเข้าสมาธิใหม่แล้วหนีให้ทันก็แล้วกันเร็วอย่างนั้นนะพระศาริบุตรนะรับอาสาผู้เจ้าไปเล่นอังนีนะ้ท่านไม่ให้เล่นไม่ทันมีแต่ท่านกับพระโมคคลาที่ทำทันเข้าสมาธิเร็วท่านไม่มานั่งเข้าอย่างพวกเราหนึ่งสองสามสี่งูกัดตายไปแล้ว นึกจะเข้าปุ๊บก็เข้าเลยชนะานาญเป็นขนาดนะเข้าปุ๊บออกปั๊บนะเข้าอีกนะกำหนดจิตให้เกิดอภิญยานะออกจากสมาธิเข้าสมาธิอีกเกิดอภินย า, นะเาเข้าาออกๆนะไม่ใช่เกิดอภิญญาคล้ายๆต้องสปีดเหมือนกันนะปุ๊บๆุ่งออไปอย่าเนี้ยนะงั้นเวลา ถ้าเราชํานาญทั้งสมาธิทั้งการดูจิตชื่อไปทําการเจริญวิปัสสนาในสมาธิไดนะ้แต่ถ้าชํานาญดูกายนะไปเข้าฌานแล้วจะมาดูกายจิตจะถอยออกมาอยู่อุปจาระจะไม่เรียกว่าทําสมาธิกับปัญญาควบกันนะหลุดจากฌาน้็ดูจิตนี่ดูต่อไปได้เรื่อยละเอียดประณีตเป็นลําดับลําดับไป พอไปถึงชา้นที่เจไม่มีอะไรหมายเป็นว่างเปล่าปล่อยทุกอย่างทิ้งลไม่ได้กำหนดอยู่ที่อารมณ์ไม่ได้กำหนดอยู่ที่จิตอากาศสายญาณใจยตนะเนี่ยกำหนดอยู่ที่อารมณ์อารมณ์คือช่องว่างวิญญาณญาณใจยตนะมากำหนดอยู่ที่จิตอากินจัญยายตนะเนี่ยปล่อยทั้งอารมณ์ปล่อยทั้งจิตเป็นความไม่มีอะไรเลยยึดอะไรอยู่ยึดความไม่มีอะไรเลยอยู่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 จำเรียนๆไว้ก็ได้นะว่าหนึ่งข้างหน้าเบื่จะใช้นี่เข้าเข้าอย่างนี้นะเข้าไปด้มันจะเห็นนะกระทั้งชานก็ไม่เที่ยงหน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดขึ้นอันที่9้าไม่เรียกชานล้วก็ไปเรียกสมบัตินะไล่ขึ้นไล่ลงมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์เป็นของเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นะ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 มีแต่ว่าทําสมาธิออกจากสมาธินะถอยลงมาอยู่ในอุปจาระอะไรเงี้ย ه, ออกจากฌานมาอยู่ในอุปจาระแล้วมาพิจรารณกายมาอะไร อ, ه, อันนี้เป็นสมาธินําปัญญานะเป็นสมาธินําปัญญามากมันเดินปัญญาอยู่ในช่วงอุปจาระพวกเราทําสมาธิกับปัญญาควบกันก็ยากยากที่สุดใช้สมาธิ นำปัญญาก็ยากใจไม่ค่อยสงบไม่ค่อยมีทางเลือกแล้วเหลือทางเลือกสุดท้ายแล้วคือใช้ปัญญานําสมาธิพวกเราก็จะใช้ปัญญานํำสมาธิเราพอทําได้พวกเราปัญญามากหากินก็ด้วยใช้ความคิดเอาเนาะใช้สติปัญญาไม่ได้ใช้แรงกายเท่าไหร่แล้วยุคนี้หัวโตวตัวรีบ <c oughs> หลวงพ่อหัวรีบตัวโตว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 กระทบทางหูใจก็คิดต่อนะงั้นใจเนี่ยกระทบอารมณ์แล้วทํางานบ่อยที่สุดเลยนะทางใจคือการที่ไหลไปคิดนั่นแหละงั้นหช่องทางเรียนทั้งหช่องทางมากไปเหนื่อยตายเลย5ช่องเอาไว้หลงบ้างก็ได้อนุญาตนะแต่ช่องใจนะรู้ทันเไว้ห้านะช่องช่างมันเจะตามเมองเห็นรูปแล้วช่างมันจะแต่ถ้าใจหลงไปตามรูปรู้ทัน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 สมาธิมันงอนเง่นเหมือนเอาอะไรเล็กๆไปวางบนปลายเข็มนะแป่งๆงอนเง่นไม่ต้องกลัวติดเฉยหรอกไม่ติดหรอกยากส่วนพวกที่ทำชาญมานีชำนาญพอถึงชาญสองนได้ได้ตัวรู้ได้กูที่ภาวะาออกจากชานมาเนะนี่ยตัวเนี้ยทรงอยู่นานพระทรงอยู่นะมีความสุขนะขี้เกียจ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 พวกติดสมาธิมานะต้องทุบสมาธิทิ้งก่อนให้มามีสติให้มากก่อนพอสติชำนี้ชํนานาญแล้วชักจะฟุ้งซ่านนะทําสมาธิอีกนะพอสมาธิได้ที่แล้วต้องแยกธาดแยกขันธ์อีกนะั้นที่หลวงพ่อสอนพวกเรานะสอนพาเดินมาเป็นลําดับลําดับบางคนมาได้เร็วนะสอนเรื่องแยกธาตุแยกขันธ์มานานนะบางคนยังไม่พร้อมก็ไม่ได้เรียนเรื่องแยกธาตุแยกขันธ์